บันี้จะเริ่มเรื่องปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านอาจารย์มั่นพาคณะลูกศิษย์ ด, ดำเนินมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติตามปฏิปธานี้รู้สึกลำบากเพราะเป็นการทวนกระแสะโลกทั้งทางกายทางวาจาและทางใจหลักปฏิปทาก็มีทุดดง13บขันธวัตสิบมีอคันตุกะวัฏเป็นต้นเป็นเครื่องบำเพ็ญทางกายโดยมาก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 เพราะเพศของนักบวชกับเพศขรารวาสมีความเป็นอยู่ต่างกันตลอดความประพฤติมัน ญ, ญาติความสำรวมระวังต่างต่างต้องเป็นไปตามแบบหรือประเพณีของพระซึ่งเป็นเพศที่สงบงามตาผู้ที่เป็นพระธุดงค์จึงควรมีความเข้มงวดกวดขันในข้อวัดปฏิบัติต่างต่างให้เป็นที่อบอุ่นเย็นใจแก่ตนและเป็นที่น่าชื่นชมเลื่อมใสแก่ผู้อื่น เราทุดงขวัตสิและวัดต่างๆตลอดกรรมฐานทั้งมวลล้วนเป็นธรรมะเครื่องดัดนิสัยความดื้อด้านของคนเราโดยตรงพระก็ออกมาจากคารวาสนิสัยนั้นต้องติดตัวมาด้วยถ้าไม่มีเครื่องดัดแปลงหรือทอรมานกันบ้างก็คงไม่พ้นการบวชมาทำลายตัวและวัดวาศาสนาให้ชิบหายล่มจมลงอย่างไม่มีปัญหาเพราะปะกตินิสัยของมนุษย์เราโดยมาก ชอบเบียดเบียนและทำลายตนและผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆอยู่เสมอโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเจตนาเสมอไปเนื่องจากความชินต่อ น, นิสัยเพราะความทะเยอทะยานอยากต่างๆพาให้เป็นไปหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการก็สุดจะคาดเดาถูกจึงพลอยมีความทุกข์เดือดร้อนติดตัวประจำอิริยาบถอยู่เสมอไม่ค่อยมีความสุขกายสุขใจได้นานเท่าที่อยากมี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 ที่ออกไปปฏิบัติอยู่โดยลาพังต่อไปตามลำดับท่านที่เริ่มมาศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานในสำนักท่านอาจารย์มั่นตามปกติท่านสอนให้เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในทุกกรณีที่เป็นหน้าที่ของพระจะพึงทมสอนให้เป็นคนหูไวาตาไวาก้นเบาลุกง่ายไปเร็วไม่อึดอัดเหนือยนาย สอนให้เป็นคนช่างคิดในกิจนอกการในเพื่ออัตรธรรมในแง่ต่างๆไม่อยู่เฉยๆเหมือนคนสิ้นท่าความเคลื่อนไหวไปมามีสติอยู่กับตัวสอนให้เป็นคนละเอียดละ อ, อในทุกกรณีการภาวนาท่านเริ่มสอนแต่กรรมฐานห้าเป็นต้นไปตลอดถึงกรรมฐานอื่นๆตามแต่อาการใดจะเหมาะกับจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาเป็นรายๆไป ฟังการอบรมก็ทำสมาธิภาวนาไปด้วยในตัวบางรายขณะนั่งฟังการอบรมจิตเกิดความสงบเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนับจะเริ่มฝึกหัดเพิ่งมาเป็นในขณะนั้นก็มีพระเนรมีจำนวนมากที่เข้าไปรับการอบรม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 ออกบำเพ็ญอยู่ในสถานที่และอิริยาบทต่างๆกันการพักผ่อนหลับนอนไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใดๆจากท่านปล่อยให้เป็นความสะดวกเหมาะสมของแต่และรายจะปฏิบัติต่อตัวเองทั้งนี้เพระาะธาตุขันและความเพียรตลอดความหมายมั่นปั้นมือต่อธรรมะในแง่ต่างๆมีหนักเบามากน้อยต่างกัน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 ท่านถือเป็นสำคัญมากเรียกว่าเป็นเส้นชีวิตของพระธุดงค์สายของท่านก็ไม่ผิดใครเข้าไปรับการอบรมกับท่านท่านต้องสอนกรรมฐานและธุดงค์วัดให้ในเวลาไม่นานเลยถ้าเป็นหน้าแรงท่านมักจะสอนให้ไปอยู่รุกขมูลร่มไม้เสมอว่านโนนต้นไม้ใหญ่มีใบดกหนาหน้าร่มเย็นสบายภาวนาสะดวกอากาศก็ดี ปราศจากความพลุกพลานวุ่นวายจากสิ่งภายนอกโนนภูเขาเป็นที่เปิดหูเปิดตาเพื่อร่าเริงในธรรมโนนถ้ำโนนเงื้อมผาเป็นที่น่าอยู่น่าบำเพ็ญเพียรหาความสงบสุขทางใจโนนป่าชัดเป็นที่กำจัดความเกียดคร้านและความหวาดกลัวต่างๆได้ดีคนเกียดคร้านหรือคนขี้ขลาดครไปอยู่ในที่เช่นนั้น จะได้ช่วยพยุงความเพียรให้ขยันเสียบ้างและช่วยกําจัดความกลัวเพื่อความกล้าหาญขึ้นบ้างไม่หนักและกดทวงจิตใจจนเกินไปภูเขาลูกโน้นถ้าโน้ น, นเงื้อผาโน้นอากาศดีภาวนาสะดวกจิตรวมลงสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกๆลึกลับได้ดีเกินกว่าสายตาสามัญจะรู้เห็นได้ เขาลูกนั้นถ้านั้นเงื้อผานั้นมีสิ่งนั้นๆอยู่ทางทิศนั้นๆผู้ไปอยู่ควรระวังสำรวมไม่ควรประมาทว่าพราสะจากผู้คนและสิ่งต่างๆที่เห็นเห็นและได้ยินแล้วจะไม่มีอะไรอื่นอีกสิ่งลึกลับเกินกว่าสามัญจิตจะรู้เห็นได้ยังมีอีกมากมายและมากกว่าวัตถุที่มีเกลื่อนอยู่ในโลกนี้เป็นไหนๆเป็นเพียงไม่มีสิ่งที่ควรแก่สิ่งเหล่านั้น จะแสดงความมีออกมาอย่างเปิดเผยเหมือนสิ่งอื่นๆเท่านั้นจึงแม้มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็เป็นเหมือนไม่มีผู้ปฏิบัติจึงควรสํารวมระวังในอิริยาบถต่างๆอย่างน้อยก็เป็นผู้สงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของพวกกายทิพย์ทั้งหลายที่มีภพภูมิต่างๆกันอาศัยอยู่ในแถบนั้นและที่อื่นๆ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 บางทียังโดนสิ่งต่างๆจนตกบ้านตกเรือนแตกยับไปหมดก็ยังมีประจํานิสัยมนุษย์ผู้ชอบหญิงในตัวขณะที่เดินซุ่มซ่ามเซอะเซะไปดวนสิ่งของด้วยความไม่มีสตินั้นเจ้าตัวต้องเข้าใจว่าอะไรไม่มีอยู่ในที่นั้นแต่สิ่งที่ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอยู่ในที่นั้นและในขณะนั้นทําไมจึงถึงกับแตกจิบหายไปได้เพียงเท่านี้ก็พอพิสูจน์ตัวเองได้ดีว่า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 ถ้าพวกท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกอย่างถึงใจก็ควรสแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่บำเพ็ญและที่ฝากเป็นฝากตายกับธรรมะทั้งหลายซึ่งเป็นดังองค์ของศาสดาสเสด็จมาประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าทุกอิริยาบทหลับและตื่นจะเป็นสุขความเพียรทางใจก็ก้าวหน้าแม่ชักช้าล่าถอยเหมือนที่เกลื่อนกลนวุ่นวายทั้งหลาย พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันทั้งหลายก็ดีท่านทรงพลีและพลีชีพเพื่อธรรมะในสถานที่ดังกล่าวนั่นแหลนอกจากผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาวัตตสงสารเปลินเที่ยวจับจองป่าช้าความเกิดตายแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเท่านั้นจะไม่ยินดีในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงยินดีนนต์ป่าช้าป่าชัด ไปอยู่ในป่าเช่นนั้นกับพวกชาวป่าชาวเขาโน่นเป็นสถานที่อำนวยความเพียรทุกด้านเพื่อตัดกระแสวัฏฏะภายในใจให้น้อยลงทุกประโยคแห่งความเพียรการทำความเพียรในที่เหมาะสมกับผู้ต้องการความไม่หวังมาเกิดตายอีกหลายชาติหลายภพผิดกับที่ทั่วทไปอยู่มากสถานที่ไม่เหมาะแม้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลานานเท่ากัน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 มีความกลัวตายเป็นตัวการสำคัญเช่นความลำบากเพราะขาดแคลนกันดานในปัจจัยสี่มีอาหารบินทบาดเป็นต้นความลำบากในการประกอบความเพียรคือการฝึกทรมานจิตที่สารขนองโลดผนประจํานิสัยมาดั้งเดิมความลำบากเพราะเดินจงกรมนานเพราะนั่งภาวนา น, านเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทรมานกายทรมานใจ ความลำบากเพราะจิตไม่ยอมอยู่ในขอบเขตร่องรอยที่ต้องการความลำบากเพราะความหิ ว, หวโหยรยแรงเนื่องจากอาหารน้อยเพราะฉันแต่น้อยเพราะหยุดพักไม่ฉันบ้างเป็นวันวันหยุดไปละหลายวันเพื่อความเพียรทางใจจะได้ดำเนินสะดวกตามจริตเป็นรายความลำบากเพราะความเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจไร้เพื่อนฝูงครูอาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นต่อกันความลำบากเพราะคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เคยให้ความอบอุ่นทางกายทั้งใจความลำบากเพราะเปียกฝนทนทุกข์ไม่มีที่มุงที่บังกันแดดกันฝนความลำบากเพราะความหนาวเหน็บเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุต่างต่างความลาบากเพราะเป็นไข้ ความเจ็บหัวตัวร้อนปวดอวัยวะส่วนต่างๆไม่มีหยุกยากเครื่องบำบัด ร, รักษาความลำบากเพราะกลัวตายอยู่ในป่านิเคาคนเดียวไม่มีผู้ปรนิบัติรักษาเวลาตายไม่มีผู้เก็บซากศพมีแต่แร้างกาหมากินและมแมลงวันมายื้อแย่งแข่งกันกินความคิดเหล่านี้เป็นเครื่องขีดขวางทางดำเนินเพื่อพระนิพพาน อย่าปล่อยให้เข้ามารบกวนใจได้จะเสียคนไปไม่ตลอดควรทราบทันทีว่าความคิดนี้คือกองสมุททยซึ่งเป็นกุญแจเปิดทุกขึ้นทับถมจิตใจจนหาทางออกไม่ได้ผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนกล้าหาญอดทนคือทนต่อแดดต่อฝนทนต่อความหิวโหวยทนต่อความทุกข์ทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายทางใจ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 กลายเป็นคนอ่อนแอที่เคยเข้มแข็งอดทนก็ลดวาราศอกลงโดยลำดับและลดลงจนก้าวไม่ออกสุดท้ายก็จอดจมงมทุกข์ไปตามเคยศา ส, สดาก็นับวันห่างไกลจิตใจไปทุกทีพุทธังสรนังคัจฉามิก็เป็นเพียงลมปากแสดงออกมาซึ่งเด็กก็ว่าได้แต่ส่วนใหญ่ที่แท้จริงของคำว่าพุทธัง เลยเจือจางว่างเปล่าไปจากใจนี่ท่านเรียกว่าผู้ท้อถอ ย, ยพ่ายแพ้กิเลสมารคือสู้ความคิดฝ่ายต่ำภายในใจของตนไม่ได้ผู้พ่ายแพ้คันธามารคือปล่อยให้กองทุกข์ในสังขารเยยบย่ํมทำลายอยู่เปล่าเปล่าไม่สามารถหาทางคิดค้นแก้ไขด้วยสติปัญญาที่มีอยู่พอมีทางหลบหลีกปลีกตัวออกได้ ด้วยอุบายอันแยบคายของนักต่อสู้เพื่อกู้ตนจากลมลึกข้าศึกใดก็ตามในแหล่งโล ก, กธาตุไม่มีอำนาจอันลึกลับแหลมคมเหมือนข้าศึกภายในใจคือกิเลตันหานี่เลยข้าศึกนี้หน้าหนักใจมากสำหรับผู้มีนิสัยอ่อนแอและขี้เกียจไม่เป็นคนช่างคิดมีอะไรนิดมาสัมผัสคอยแต่จะยอมแพ้ไม่คิดหาอุบายต่อสู้ เพื่อตัวเองบ้างเลยนิสัยชนิดนี้กิเลสมารชอบมากเป็นพิเศษใครอยากเป็นคนพิเศษของมันก็ต้องฝึกและสั่งสมนิสัยนี้ขึ้นให้มากจะได้เป็นผู้รับใช้ที่โปรดปรานของมันชนิดไม่มีวันโปลหน้าขึ้นมาเห็นแสงอัดแสงทาเครื่องนำให้พ้นทุกข์ได้เลยเกิดมาพบใดชาติใดก็มอบดวงใจที่มีคุณค่าเป็นเครื่องสังเวยเส้นสูงแต่กิเลสตัว มีอำนาจยิ่งกว่าธรรมะภายในใจตลอดไปคิดแล้วก็น่าสลดสังเวชที่พระเราขนาดเป็นนักปฏิบัติยังยอมตัวลงตามความรู้สึกฝ่ายตำ่ำโดยไม่ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องชุดลากขึ้นมาบ้างพอได้หายใจอยู่กับความสงบแห่งธรรมะสมกับเป็นนักพรตแบกกลดสภายบาทขึ้นเขาเข้าถ้ำอยู่ป่าภาวนา แต่ท่านที่มุ่งหน้ามาอบรมศึกษาและปฏิบัติถึงขนาดนี้ยังจะยอมตนให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายและมาติกาบางสุกุลเอาตามชอบใจหรือถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นผู้สั่งสอนก็อกแตกตายก่อนผู้มาศึกษาอบรมโดยไม่ต้องสงสัยดังนี้อุบายวิธีสอนของท่านอาจารย์มั่น ยากที่จะจับนิสัยท่านได้เพราะเป็นอุบายของปราชผู้ฉลาดแหลมคมในสมัยปัจจุบันจึงรู้สึกเสียใจที่ผู้เขียนประวัติท่านและปฏิปทาพระธุดงสายของท่านไม่มีความจดจําและความฉลาดสมศักดิ์สรีท่านจึงไม่อาจขุดค้นเนื้ออัดเนื้อธรรมที่สําคัญในการสังสอนของท่านออกมาให้ท่านได้อ่านอย่างสมใจสมกับท่านเป็นพระในนามธรรมะทั้งองค์ ตามความรู้สึกของผู้เขียนถ้าผิดก็ขออภัยด้วยการสั่งสอนพระท่านหนักไปในทางทุดดขวัดเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในป่าในเขาในถ้ำและเงื้อพาที่เปลือเปลี่ยวรู้สึกว่าท่านเน้นหนักลงเป็นพิเศษแทบทุกครั้งที่อบรมไม่แสดงขึ้นต้นด้วยสถานที่ดังกล่าวก็ตอนสุดท้ายเป็นต้องนำมาสรุปจนได้ สมกับท่านเป็นนักพรตและชอบอยู่ในปาน่าในเขาประจำชีวิตนิสัยของนักบวชจริงๆการอบรมไม่ยอมให้เนื้อธรรมะห่างจากทุดงขวัดเลยพอจบจากการนำพระเที่ยวชมป่าชมเขาชมถ้ำและเนื้อผาต่างๆอันเป็นสถานที่รื่นเริงแล้วก็นำพระเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยบทธรรมะหมวดต่างๆ คือสอนวิธีครองผ้าและท่าสำรวมในเวลาเข้าบินธบาตไม่ให้มองโน่นมองนี่อันเป็นกิริยาของคนไม่มีสติอยู่กับตัวแต่ให้มองในท่าสำรวมและสงบเสงี่ยมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับใจรำพึงในธรรมะที่เคยบำเพ็ญมาประจำนิสัยการบินธบาตถือเป็นกิจวัตรสำคัญประจำพระธุดงในสายของท่าน ไม่ให้ขาดได้เว้นแต่ไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปขณะไปก็สอนให้มีความเพียรทางภายในไม่ลดละทั้งไปและกลับจนมาถึงที่พักตลอดการจัดอาหารใส่บาตและลงมือฉันก่อนฉันก็สอนให้พิจารณาปัจจเวคขณะคือปฏิสังขายโยนิโสเป็นต้นให้พิจารณาโดยแยกคายตามภูมิสติปัญญาของแต่และราย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 ทั้งความหิวที่อาจออกนอกลู่นอกทางอันเป็นทางเดินของตันหาตาเป็นไฟใจเป็นวานอนเป็นลิงทั้งมารยาของใจที่อาจคิดว่าอาหารที่ผสมกันอยู่มีรสชาติแปรไปต่างๆใจเกิดความสะอิดสะเอียนเบื่อหน่ายไม่อยากรับประทานอันผิดวิสัยของผู้บาเพนพรตเพื่อความรอบครอบและความหมดจดของใจ